อารักขาทายกะวรคหมวดว่าด้วยพระอารักขาทายกะเป็นต้นหนึ่งอารักขาทายกะเทราประทานประวัติในดิจชาของพระอารักขาทายกะเทระพระอารักขาทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจิชาของตนจึงกล่าวว่าเขาไปเจ้าให้สร้างรัวและได้ถวายอารักขา แด่พระมุนีพระนามว่าธรรมทัศสีผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ในกลับที่หนึ่งสิบนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงได้บรรลุความสิ้นอาสวะเพราะผลกรรมวิเศษนั้นคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอารักขาทายกะเทระได้พาสิทิคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อารักขาทายกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองโภชนะทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระโภชนะทายกกะเทระ พระโพชนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าย่อมรุ่งโร่ทุกเมือ่อดังหน่อต้นรังที่เกิดดีดุดไม้อันชันที่กํำลังขึ้นงามและเหมือนสายรุ้งในอากาศข้าพเจ้ามีใจผ่องใสได้ถวายโพชนะแด่พระองค์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพพระนามว่าเวสภูผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระสยามผูพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ทรงอนุโมทนาทางของข้าพเจ้านั้นว่าผลจงบังเกิดแก่ท่านในภพที่ท่านเกิดในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายโพชนะในลับที่ยี่สิบห้านับจากลกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่า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 โพชนะธายากะเทราประธานที่สองจบสาคตะสัญญกะเทราประธานประวัติในดีิจฉ่าของพระคตะสัญญกะเทระพระคตะสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดีิชาติของตนจึงกล่าวว่าในอากาศไม่ปรากฏรอยเท้าข้าพเจ้าได้เห็นพระจินเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะเสด็จเหาะไปยังหมู่เทวดาชั้นดาวดึง ทางอากาศในท้องฟ้าขณะนั้นข้าพเจ้าได้เห็นชายจีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สะบัดพลิ้วไปตามลมจึงมีความปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากเพราะได้เห็นพระมุนีเสด็จไปในขับที่เก้าสนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระพุทธเจ้า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 สัตตะปทุมิยเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระสัตตะปทุมิยเทระพระสัตตะปทุมิยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพราหม์มีนามว่าเนสาทะใช้ดอกไม้ร้อยกลีบกวาดอาสมอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำความชื่นชมเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า เพราะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้มีพระชวีวันดังทองคําทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกกําลังเสด็จไปทางป่าข้าพเจ้าต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนจึงนําเสด็จพระองค์มายังอาสมแล้วบูชาด้วยดอกบัวงามในกับที่เก้านับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื่อกลับที่เจดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสีชาติพระนามว่าปาทะปารวะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสัตตะปทุมิยะเถระได้พาสุตถาเหล่านี้ด้วยพระการาชนีสัตตะปทุมิยะเถราประธานที่ 4, สี่จบหปุกพาสนะทายกะเถราประธานประวัติในดิจชาติของพระประุกพาชนะทายกะเถระพระประุกพาสนะทายกะเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดจจตาของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธะผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ผู้มีพระชวีวันดังทองคามีพระรัศมีรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์เสด็จดำเนินอยู่ที่ไม่ไกลข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสต้อนรับพระองค์แล้วทูลนิมนต์เสด็จเข้ามายัางอาสมแล้วได้ถวายอาสนะดอกไม้ครั้งนั้น ข้าพเจ้าประนมมือแล้วเปิดความปลื้มใจทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าน้อมนึกถึงกรรมนั้นด้วยความปรารถนาว่าบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในพระสยามผูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ด้วยบุญกุศลทั้งปวงนั้นขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ประสจากมณทินในาศาสนาเถิดเนื้อกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไป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 ได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการศนิปุปพาจนะทายกะเทราประทานที่ห้าจบ6อาชนะสันทวิกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระอาชนะสันทวิกะเทระพระอาชนะสันทวิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้บอด เกี่ยค้นหาพระเจดีชื่อว่าอุตมะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกในไพรวันซึ่งเป็นป่าใหญ่พระพเจ้าออกจากป่าใหญ่ได้พบพระแท่นสีห์จึงทำหนังสัตว์เฉวงบาข้างหนึ่งประนมมือสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตโลกครั้นสรรเสริญพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกในส่วนกลางวันแล้ว ก็มีจิตร่าเริงเบิกบานได้เปล่งวาจานิว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระผู้มีประภาคผู้มีความเพียรมากผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชนพระองค์เป็นพระสัก พ, พันอยู่ ข้าพเจ้าได้สรนเสริญพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีด้วยการทำนิมิตอภิวาสอาชนะแล้วบ่ายหน้าหลีไปทางทิศเหนือเนื้อกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้สรนเสริญพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าเจ้าละทิทั้งหลายไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญเนื้กลับที่ยี่สิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพัฒเจ็ดชาติ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 ได้พาสุคขาเหล่านี้ด้วยประการศน้อาชนะสันทวิกะเทราประทานที่หจบ 7. สัทธะสั ญ, ญกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระสัทธะสัญญะเทระพระสัทธะสัญญะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีประภาคมหาวีระเจ้าผู้มีพระรูปงามน่าดู ทรงแสดงอมตะ บ, บทอยู่มีหมู่สาวกแวดล้อมประทับอยู่ในวิหารชั้นเลิศทรงสงเคราะห์มหาชนด้วยพระวาจาที่ไพเราะได้มีเสียงกลังวานแผ่ไปกว้างขวางทั่วทั้งเทวดาและมนุษย์เขาพระเจ้าได้ฟังเสียงกึกกล้องแล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่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 ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสัทธาสัญกะเทระได้พาสุกคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สัทธาสัญกะเทราประธานที่เจ็ดจบแติรังสิยะเทราประธานประวัติในเดชชาติของพระติรังสิยะเทระพระติรังสิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธะัะประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาดุจราชสีผู้มีชาติสูงทรงทำทิศให้สว่างสวยัยดางกองไฟบนภูเขาและได้เห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์แสงสว่างของดวงจันทร์และแสงสว่างของพระพุทธเจ้าจึงเกิดปิติซาบซ่านครั้นข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างสามประการแล้วจึงทำหนังสัจเฉวียงบ่า กล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสิ่งทั้งสามนี้แหละส่งแสงสว่างในโลกบรรเทาความมืดในโลกข้าพเจ้ายกข้ออุปมาขึ้นสรรเสริญพระมหามุนีครั้นข้าพเจ้าสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วไปบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกลหนึ่ง เนกกลับที่เกสบสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรนเสริญเนกกลับที่หกสิอดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่ายานทระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เกลืปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด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 ประวัติในดิจฉาของพระนาลิปุพิยะเถระพระนาลิปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นชาวนาอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสินทุขวนขวายในการงานของผู้อื่นอาศัยอาหารของผู้อื่นเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าเที่ยวไปตามแม่น้ำสินทุได้เห็นพระผู้มีพระภาคชินเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะ กำลังประทับนั่งเข้าสมาธิอยู่ดังดอกบัวบานครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เด็ดดอกบัวพร้อมทั้งก้านเจ็ดดอกทุกข์ว่โปรยบูชาเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ของพระอาทิตย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำมีพระหฤทัยมั่นคงในการเกลื่อกูนกระทบกระทั่งได้ยากดุจช้างมาตังคะตกมันสามแห่ง มีปัญญารักษาพระองค์ทรงอบรมอินทรีย์แล้วเขาพระเจ้าได้ประคองอัญชลีกราบไหว้พระศาสดาในกัปที่เก้าสิบสี่นับจากกัปนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลนห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้เฟอปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระนาลิปุพิยะเทระได้พาสึดคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้นาลิปุพิยะเทราประทานที่9กจบส0กุมุทธมาลิยะเทราประทานประวัติในดิจชาของพระกุมุทธมาลิยะเทระ พระกุมุทธมาริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดดตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีความเพียรมากพระนามว่าวิปัสสีผู้องอาจประเสริฐกล้วกล้าทรงชนะวิเศษแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดูดพญาราชสีผู้มีชาติสูงผู้สมควรรับเครื่องบูชากำลังเสด็จดำเนินอยู่ที่ถนนจึงถือพวงดอกโกมุต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 ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกุมุทธมารยเทระได้พาสุขคานาเหล่านี้ด้วยประการชนิุูมุทธมารยะเทราประธานที่สิบจบอารักขาทายกะวักที่สาสิบสองจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือหนึ่งอารักขาทายกะเทราประธานสองโพชนะทายกะเทราประธาน สามตสัญญกะเทราประทานสี่สัตตปทุมิยะเทราประทานหปุพาสนะทายกะเทราประทาน 6. อาสนะสันทวิกะญญกะเทราประทาน 7. จสัตสัญญกะเทราประทาน 8. ติรังสียะเทราประทาน 9. นาลิปุปพิยะเทราประทานสิบอุมุทะมาริยเทราประทาน มีคาถาห้าสิบเจ็ดคาถาสามสิบสามอุมาปุพิยะวะัคหมวดว่าด้วยพระอุมาปุพิยะเป็นต้นหนึ่งอุมาปุพิยะเทราประทาน ประวัติในดิตชาติของพระอุมาปุพยเถระพระอุมาปุพยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ผู้เป็นนรชนผู้สูงสุดมีพระหัไทัยมั่นคงไม่หวั่นไหวกำลังเข้าสมาธิแล้วจึงได้ถือดอกสามหาวไปบูชาพระพุทธเจ้า ดอกสามเถาทั้งหมดมียอดรวมกันมีขั้วชี้ขึ้นข้างบนดอกย้อยลงข้างล่างเป็นเครื่องลาดดอกไม้ประดิษฐานอยู่ในอากาศเป็นเหมือนมีจิตดีด้วยจิตที่เลื่อมสายนั้นข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิตในขับที่เก้าสิบสี่นับจากกรับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไวจึงไม่รู้จักทุกปิเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ในกลับที่ห้าสิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสมันตะฉัทนะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าเขาได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระอุมาปุพยเถระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการาชนิอุมาปุพยเถราประธานที่หนึ่งจบสองปุลีนาปูชกะเถราประธานประวัติในดิจิตชาติของพระปุลินปูชกะเถระพระปุลินปูชกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระาศาสดาผู้องค์อาจัวานรชน สว่างสวเหมือนดอกรกฟ้าสง่างามอยู่เหมือนม้าอาชาในผู้องอาจดุจดาวประกายพฤกรุ่งโรจน์อยู่ข้าพเจ้าจึงได้ประคองอัญเชลีกราบไหวพระาศาสดาสรรเสริญพระาศาสดาพอใจการกระทำของตนข้าพเจ้าหยิบทายขาวบริสุทธิ์กำรร ม, มือหนึ่งใส่ห่อพกมาโปรยลงที่ทางเสด็จดำเนินของพระาศาสดาพระนามว่าวิปัสสี ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่นั้นข้าพเจ้ามีใจผ่องใสแบ่งายครึ่งหนึ่งโปรยลงในที่พักกลางวัลของพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ในกลับที่เกสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้โปรโยายไว้จึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการโปรโยายคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปุลิณะปูชกะเทระได้พาจักรฐาเหล่านี้ด้วยประการฉนิปุลิณะปูชกะเทราประทานที่สองจบสหาสะชนกะเทราประทานประวัติในดิจ่าของพระหาสะชนกะเทระ พระหาสชนกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นผ้าบางสกุลของพระศาสดาคล้องอยู่ที่ยอดไม้จึงประนมมือแล้วเปล่งวาจาขึ้นอย่างดังความยินดีเลิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเพราะได้เห็นแต่ไกลข้าพเจ้าประนมมือแล้วทำจิตให้เลื่อมใสายอย่างยิ่งในกับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาศิคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศฉนิหาจะชนกะเทราประธานที่สามจบสยัญญาสามิหะเทราประธานประวัติในดิจิตชาติของพระยัญญสาสมิหะเทระพระยัญญาสามิหะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบเป็นผู้จบมน ได้ดำรงวงตะโกนได้ตระเตรียมพิธีบูชายันครั้งนั้นข้าพเจ้าจัคฆ่าสัตว์เลี้ยงแปดมืนสี่พันตัวจึงให้คนจับผูกไว้ที่หลักไม้แสนตระเตรียมเพื่อจะบูชายันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธะผู้มีพระรัศมีเรืองรองดุดฐานไม้ตะเคียนกระทบที่ปากเบ้าเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยและเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้ให้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่างผู้มีประโยชน์เกื้อกูลอันไรโลกปูชาเสด็จเข้ามาหาแล้วได้ตรัสพระดำรันนี้ว่ากุมารเราพอใจการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงการวดเว้นจากการละขโมยจากการประพฤตินอกใจและจากการดื่มน้ำเมาคือความยินดีในการประพฤติสม่าเสมอความเป็นพหูสูตร และความเป็นผู้กตัญญูทมเหล่านี้บัณฑิตก็สรรเสริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตท่านเจริญทมเหล่านี้ยินดีในความเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจงเจริญมรรคที่สูงสุดเถิดพระสัพพัญยูผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อ่างัวนรชนครั้นตรัส ด, ดังนี้ทรงพร่มสอนข้าพเจ้าอย่างนี้แล้วเสด็จขอะขึ้นสู่อากาศ ข้าพเจ้าชำระจิตให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วทำจิตให้เลื่อมสายในภายหลังด้วยจิตที่เลื่อมสายนั้นข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังาสวรรค์ชั้นดุสิตในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมสายไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระยัญญสามิภะเทระได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการะชะนี้ยัญญสามิภะเทราประทานที่สจบหนิมิตะสัญญกะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระนิมิตะสัญญกะเทระ พระนิมิตะสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในอาสมใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นกวางทองกำลังเดินอยู่ในป่าจึงทำจิตให้เลื่อมใสชื่นชมในกวางทองแล้วเรลิลรกถึงพระพุทธเจ้าผู้พุ็นเจริญที่สุดในโลกข้าพเจ้าหวนเรลิลรกถึงพระพุทธเจ้าเหล่าอื่นเือพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าในอนาคตพระพุทธเจ้าสามจำพวกนั้นย่อมภัโรคดูดพยาเนื้อในกลับที่เก้าสิบสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ความทรงจําไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักถุกติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจําในพระพุทธเจ้าในกลับที่ยี่สิบเดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าอรัญญะสัตตะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนิมิตะสัญญกะเทระได้พาสิข า, าเหล่านี้ด้วยประการชนี้นิมิตะสัญญกะเทราประทานที่ห้าจบ หกอ น, นะสังสาวกเถราประทานประวัติในดิตชาของพระอ น, นะสังสาวกเถระพระอนาสังสาวกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำผู้เสด็จไประหว่างร้านตลาดผู้เช่นกับทองคำมีค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32สองประการ พระนามว่าสิท ธ, ธะัะผู้ให้ประโยชน์ทุกอย่างสําเร็จผู้ไม่ทรงหวันไหวผู้ไม่สงพ้ายแพ้ข้าพเจ้าน้อมนมัสการแล้วทูล น, นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มหามุนีให้สวยแล้วครั้งนั้นพระมุนีผู้ประกอบด้วยพระกรณุณาในโลกได้ทําให้ข้าพเจ้าแจม่มใสข้าพเจ้าทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วไปบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งครับ เนือกับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระอั น, นสังสาวกกะเทระได้พาศิษย์คาาเหล่านี้ด้วยประการชน้อณ น, นสังสาวกกะเทราประธานที่หกจบเจนิคุณทิปุพิยะเทราประธานประวัติในดิจิชาของพระนิคุณทิปุพิยะเทระพระนิคุณทิปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจิชาของตนจึงกล่าวว่า ในการใดเทวดาจะจุติจากหมู่เทพเพราะสิ้นอายุในการนั้นเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งเสียงสารประการว่าท่านผู้เจริญท่านจากที่นี้จงไปสู่สุคติสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยอดเยี่ยมในพระศาสราศรัทธาของท่านพึงตั้งมั่นดํารงอยู่เป็นมูลไว้เป็นที่พึง่งอย่าคลอนแคลนในพระสศธรรม ที่พระอริยประกาศไว้ดีแล้วจนตลอดชีวิตจงทำกุศลที่ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีอุปธิทางกายทางวาจาทางใจให้มากเถิดจงทำบุญให้ยิ่งไปขวนน้นให้มากด้วยการให้ทานจงชักชวนผู้อื่นให้ตั้งมั่นในพรหมจรรย์ซึ่งเป็นพระสัตว์ธรรมอย่างประเสริฐ ด, ด้วยความอนุเคราะนี้ในการใดเราเทวดาผู้รู้แจ้งพรอ ย, ยินดีกับท่านผู้ประเสริฐ ซึ่งกำลังจุติว่าท่านเทวดาขอท่านจงมาบ่อยๆนะในการนั้นเมื่อหมู่เทวดามาประชุมกันข้าพเจ้าเกิดความสลดใจว่าเราจุติจากที่นี้แล้วจะไปเกิดยังกำเนิดอะไรหนอพระสมณะผู้อบรมอินทรีย์แล้วรู้ความสังเวชของข้าพเจ้าท่านประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงมายังสำนักของข้าพเจ้าท่านมีนามว่าสมณะ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทูโมตระพร่ำสอนอธรรมให้ข้าพเจ้าสลดใจหนึ่งครั้งนั้นพาณวาระที่สิบสองจบข้าพเจ้าได้ฟังคําของท่านแล้วทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอภิวาท่านผู้เป็นนักปราดแล้วก็สิ้นชีวิตลงณที่นั้นข้าพเจ้านั้นอันกุศลละโมนตักเตือนแล้วได้อุบัติณที่นั้นเอง ตนเมื่ออยู่ในคันมารดาก็อยู่ในคันของมารดาคนเดิมเขาพระเจ้าจุติจากกายนั้นแล้วได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในระหว่างนี้เขาพระเจ้าไม่เห็นความโทมนัสหนึ่งครั้งนั้นเลยเขาพระเจ้าจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วหลงสู่คันมารดาออกจากคันมารดาคลอดแล้วไม่รู้จักทุกข์อะไรอะไรเลยเขาพระเจ้ามีอายุเจ็ดขวบ เดกเข้าไปยังอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโพดมศักยบุตรผู้คงที่ได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาในปาพธิ์อย่างกว้างขวางในศาสนาที่ชนจำนวนมากนับถือกรุงชื่อว่าสาวัตถีพระเจ้าโกศลทรงเป็นใหญ่ในกรุงนั้นพระองค์เสด็จไปยังต้นโพที่ประเสริฐด้วยรถที่ซึ่งเทียมด้วยมา้า ข้าพเจ้าเห็นภาณะประเสริฐของพระเจ้าโคศนั้นแล้วเราลึกถึงบุพกรรมจึงได้ประนมมือไปอยังที่ประชุมข้าพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบก็ได้บวชเป็นบนรรพชิตพระสาวกชื่ออาณ น, น์เป็นอุปถาพระพุทธเจ้าท่านมีคติมีทิฏฐิมีสติเป็นพระหูสูตรมีความรุ่งเรืองมากได้ถวายพระธรรมเทศนาทำพระหารทัยของพระราชาให้ทรงเลื่อมใส ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมของท่านพระอาโน์แล้วโราลึกถึงบุปกรรมยืนอยู่หน้าที่นั่นเองก็ได้บรรลุอรหัตผลข้าพเจ้าห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไว้เหนือเสียงกล่าวถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เปล่งวาจานี้ข้าพเจ้าถือดอกย่านสายไปวางที่พระแท่นศรีหาดของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะผู้เป็นจอมแห่งทเทวดาและมนุษย์ ผู้คงที่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนด้วยผลแห่งกรรมนั้นข้าพระองค์และความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหวในกลับที่สองหมื่นห้าพันนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสหชาติมีอายุมากมายหลายอภุตะและนิรภุตะ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 สุมนณาวเวรยะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระสุมาาเวริยะเทระพระสุมาาวเวริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าชนทั้งปวงมาประชุมกันทำการบูชาใหญ่แด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าเวสภูผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ครั้งนั้นเข้าไปเจ้าใส่ก้อนปูนขาว แล้ววางพวงมาลายดอกมะลิไว้บูชาข้างหน้าพระแท่นสีหา์าชนทั้งปวงมามองดูดอกไม้ชั้นดีเยี่ยมด้วยคลิปว่าดอกไม้นี้ใครบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้คงที่ข้าพเจ้าได้เข้าถึงสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเพราะจิตที่เลื่อมใสนั้นได้เสวยผลกรรมของตนที่ทําไว้ดีแล้วในครั้งก่อนข้าพเจ้าเกิดในกําเนิดใดใด เคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมเป็นที่รักของปวงชนนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ข้าพเจ้าไม่รู้ถึงการด่าทางกายทางวาจาหรือทางใจที่ข้าพเจ้าทําแล้วแก่พิสุทั้งหลายผู้สำรวมผู้มีตบะด้วยความประพฤติชอบนั้นและด้วยการตั้งเจจำนงไว้ข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ที่ปวงชนบูชานี้เป็นผลแห่งการไม่ดา่า เนื้อกลับที่11อ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกริกกย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสหสสาระสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระสุมาเวลิยะเถระได้พาสิทธิาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิสุมนาเวลิยะเถราประทานที่แปดจบเก้าปุพผชัติยะเถราประทานประวัติในดิจจชาติของพระปุพผชัติยะเถระพระปุพผชัติยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจชาติของตนจึงกล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ทรงประกาศสัจจะทำสัตว์ทั้งหลายให้สงบเย็นอยู่เขาพระเจ้าได้นําดอกบัวร้อยกลีบที่รื่นรมใจมาทำเป็นฉัดดอกไม้ยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าพระศาสดาพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่ในถ้ำกลางหมู่พิษุ ได้ตรัสประคาถานี้ว่าผู้ใดทำจิตให้เลื่อมใสได้กั้นฉัดดอกไม้ให้เราด้วยจิตเลื่อมใสนั้นผู้นั้นจะไม่ไปเกิดยังทุกติเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วทรงส่งบริสัทธ์ไปแล้วเสด็จเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าเวหาเมื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นนรชนผู้ประเสริฐเสด็จลุกขึ้น แม้ฉัดขาวก็ลอยขึ้นด้วยฉัดที่งามเลิศลอยไปข้างหน้าของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยฉัดดอกไม้ในกลับที่เจ็ดสิบสี่นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิแปชาติมีพระนามเหมือนกันว่าชะละศึกษา สมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปุกผาชัติยะเทระได้พาสึกษาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ ปุภพชาติยะเทราประธานที่เ้าจบ10สัพปริวาระฉัตตทายกะเทราประธานประวัติในดิตตชาติของพระสัพ ป, ปริวาระฉัตตทายกะเทระพระสัพ ป, ปริวาระฉัตตทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชาทรงโปรยฝนคือทําให้ตกอยู่เหมือนน้ําฝนในอากาศข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงอมตะบทอยู่จึงทําจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วได้กลับไปยังเรืองของตนข้าพเจ้าถือฉัตที่ประดับแล้วเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นรชนผู้สูงสุดข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบาน ได้โยนฉัดขึ้นไปในอากาศสาวกผู้ล้ำเลิศฝึกตนดุจยานที่ควบคุมดีแล้วเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัานฉัดไว้เหนือเสียนกล่าวพระพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงเป็นผู้นำชันเลิศของโลกประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิกษุแล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าผู้ใดถวายฉาดที่ประดับแล้วเป็นที่รื่นรมใจนี้ ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นผู้นั้นจะไม่ไปเกิดยังทุกติเลยจากได้ครองเทวสมบัติในหมู่เทวดาตลอดเจ็ดชาติและจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสาชาติต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งแสนกับพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครจากทรงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลก ผู้นั้นจะเป็นธรรมทายาของพระศาสดาพระองค์เป็นโอรสที่ทํำเนรมิตรจะ ก, กําหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานเขาพระเจ้าทราบพระพุทธรรมรักที่ทรงเปล่งออกมาเป็นอาสภิวาจาแล้วก็มีฉิตเลื่อมใสมีใจยินดีจึงเกิดความร่าเริงอย่างยิ่งเขาพระเจ้าลักําเนิดมนุษย์แล้วได้ไปเกิดในกําเนิดเทวดา วิมานของข้าพเจ้าสวยงามสูงตรังงานเป็นที่รื่นรมใจเมื่อข้าพเจ้าออกจากวิมานเทวดาทั้งหลายย่อมกั้นฉัดขาวให้ข้าพเจ้ากลับได้ความทรงจำในครั้งนั้นนี้เป็นผลแห่งบุพกรรมข้าพเจ้าจุติจากเทวโลกแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในกลับที่หนึ่งรเจนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิากชาติ จุติจากกายนั้นแล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงท่องเที่ยวไปโดยลำดับแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกชนทั้งหลายได้กั้นฉัดขาวให้ข้าพเจ้าผู้ลงมาปฏิสนธิในคาร์มานดาข้าพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบก็ได้ออกบวชเป็นบนรรพชิตพรามีนามว่าสุนันทะจบมนเขาได้ถือฉัดมีสีดังแก้วเลกมาถวายพระอคร a า h t พระสารีบุตรผู้มีความเพียรมาก ผู้มีวาจาหน้าบูชาอนุโมทนาแล้วเขาพระเจ้าฟังอนุโมทนาของท่านแล้วเราลึกถึงบุพกรรมได้จึงประนมมือทำจิตของตนให้เลื่อมใสเราลึกถึงคำเก่าแล้วได้บรรลุอรหัตผลลุกจากอาสนานั้นแล้วประนมมือไว้เหนือเสียงกล่าวถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเปล่งวาจานี้ว่าในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป พระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในโลกพระนามว่าปทุมมตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระพเจ้าถวายไตรจีวรที่สวยงามตกแต่งดีแล้วแด่พระองค์พระสยามภูพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศทรงรับด้วยพระหัตถ์ทั้งสองช่างหน้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าช่างหน้าอัศจรรย์พระธรรมช่างหน้าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้มาประจวบกับพระาศาสดา ดืวยผลแห่งการถวายฉัตรคันหนึ่งเขาพเจ้าจึงไม่เข้าถึงทุกติเลยกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้ากําหนดรู้อาณาจัทั้งปวงได้แล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกข์แปดและอภินญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหล ได้ทราบว่าท่านพระสัพปริวาระฉัตตายกะเทระได้ภาสุขถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้สัพปริวาระฉัตตายกะเทราประทานที่สิบจบอุมาปุพิยวักที่สาสาจบบริบูรณ์รวมอภิธานที่มีนิวรัก์นี้คือหนึ่งอุมาปุพิยะเทราประทาน 2. ปุลิณะปูชกะเทราประทาน สาหาสะชนกะเทราประทาน 4. ยัญญะสามิกะเทราประทานหานิมิตะสัญญกะเทราประทาน 6. อเ น, นสังสาวกะเทราประทาน 7. นิคุณทิบุพิยเทราประทาน 8. สุมนาวเวริยะเทราประทาน 9. ปุพพชัติยะเทราประทานสิ สปาริวาระชัตตะทายกะเทราประธานนี่คาถาหนึ่งร้อยเจ็ดคาถา